พระบัญญัติก็ภิกษุณีใดออกปากขอเนอยใสายมาฉันภิกษุณีนั้นพึงแสดงคืนว่าแม่เจ้าทีฉันต้องทําคือปาทิเทศนิยะเป็นธรรมที่น่าติเตียนไม่เป็นสัพพายะดิฉันขอแสดงคืนธํานั้นสิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่ภิกษุณีทั้งหลายอย่างนี้เรื่องภิกษุณีชาวพะขีจบ